แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับคนที่ประพฤติตัวไม่ดีเช่นเป็นคนขี้เล่าเมายาเล่นการพ น, นันจะได้หาเมียมไม่ได้เพราะไม่มีใครมาขอท่านพระครูออกเห็นด้วยกับประเพณีผู้หญิงขอผู้ชายแล้วท่านละ่ะมีใครมาขอบ้างหรือยัง หลวงพ่อวัดดอนเมืองเย้าพระมะคุเทศก็แหมผมไม่รู้จะตอบอย่างไรดีเพราะถ้าตอบไปตามตรงท่านก็จะหาว่าผมคุยโวโอ้อวดครั้นจะตอบไม่ตรงก็จะผิดศีลข้อมุสาผมชักลำบากใจซะแล้วสิพระภิกษุวัย37รู้สึกลำบากใจดังว่าผมว่าท่านตอบตรงไปตรงมาดีกว่า ราะผมอยากฟังเรื่องจริงที่ไม่ต้องอิงนิยายพระธวัตวัยส9เสนอผมเห็นด้วยพระคุณทศกับพระรสุคนพูดขึ้นพร้อมกันเป็นไปได้ว่าเพราะอายุเท่ากันจึงพูดพร้อมกันพระเจริญพูดเลี่ยงไปว่าขออภัยผมยังไม่ทราบชื่อพระคุณเจ้าอีกสี่รูปเลยทราบอยู่รูปเดียว ที่ชื่อพ้องกับผมหลวงพ่อชื่ออะไรครับท่านถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองถ้าท่านอยากรู้ก็ไปดูในพาสปอร์ตที่โยมผู้นําทัวร์เก็บไว้ให้หรือถ้าไม่อยากลําบากก็เรียกผมว่าหลวงพ่อวัดดอนเมืองก็ได้ภิกษุวัยใกล้เจ็ดสิบตอบท่านพระครูกําลังคิดว่าหลวงพ่อรูปนี้คงจะเป็นญาติกับพระโบฮิเยว หรือไม่เช่นนั้นก็คงจะมีเชื้อสายยวนเพราะท่านพูดยวนได้คล่องมากครับตกลงว่าผมเรียกท่านตามนี้ก็แล้วกันแล้วท่านอีกสามรูปชื่ออะไรครับผมชื่อพระธวัฒนผมชื่อพระคุณทศผมชื่อพระรสุคนภิกษุสามรูปตอบพร้อมเพรียงกันทว่าความพร้อมเพรียงนี้แทนที่จะก่อให้เกิดสุข กลับก่อให้เกิดทุกข์กับพระเจริญเพราะท่านฟังไม่ทันจึงยังไม่รู้ว่าพระภิกษุสามรูปนี้ชื่ออะไรกันบ้างขอโทษนะครับผมขอความกรุณาตอบทีละรูปได้ไหมครับเริ่มที่หลวงพี่ก่อนท่านพูดกับพระธวัฒ์ผมชื่อพระทวัฒอายุพันศาสพระทวัฒตอบเกินคำถาม ผมชื่อคุณทศอายุพรรษาเท่าพระทวัตผมชื่อพระรสุขณ์อายุพรรษาเท่าพระทวัตและพระคุณทศท่านเป็นคนอำเภอด่านคุณทศใช่ไหมครับพระมาคุเทศถามพระคุณทศผมเป็นคนทุกอำเภอครับไม่ได้เป็นคนเฉพาะอำเภอด่านคุณทศพระคุณทศเริ่มเรียนแบบหลวงพ่อวัดดอนเมืองเรื่องการพูดยวน หมายความว่าอย่างไรครับพระมคุเทศรับมุกไม่ทันก็หมายความว่าผมเป็นคนทุกอำเภอที่ผมไปเช่นผมไปอําเภอเมืองผมก็เป็นคนผมไปอำเภอปักทงชัยผมก็เป็นคนไปอําเภอสูงเนินผมก็เป็นคนไปอำเภอไหนไหนก็เป็นคนผมถึงได้พูดว่าผมเป็นคนทุกอําเภออย่างไรละ่ะคราวนี้พระเจริญหัวเราะ เช่นเดียวกับพระธวัตและพระรสุคนส่วนหลวงพ่อวัดดอนเมืองกับหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงเพียงแต่ยิ้มยิ้มถ้าเช่นนั้นผมขอพูดใหม่ว่าท่านชื่อคุณทศเพราะเกิดที่อำเภอด่านคุณทศใช่ไหมครับเห็นโยมพ่อว่าอย่างนั้นแหละแล้วท่านล่ะครับขอประทานโทษทำไมท่านชื่อเหมือนผู้หญิงท่านถามพระรสุคน ถ้าท่านอยากรู้รายละเอียดก็ต้องไปถามยมแม่ผมแต่ถ้าอยากรู้คร่าวๆถามผมก็ได้คือยมแม่เล่าว่าท่านอยากได้ลูกสาวพอตั้งท้องก็เลยตั้งชื่อรอไว้ครั้นท่วนกำหนดทศมาสก็คลอดออกมาปรากฏว่าเป็นผู้ชายคิดชื่อใหม่ไม่ทันก็เลยใช้ชื่อที่ตั้งไว้ผมก็เลยได้ชื่อว่ารสสุคนด้วยประการชนิท่านลงท้ายด้วยสำนวนเทศ เอาละทีนี้ท่านก็รู้แล้วว่ารูปไหนชื่ออะไรต่อไปก็ตอบคำถามของลุงพ่อวัดดอนเมืองได้แล้วพระรสุคนเตือนลุงพ่อวัดดอนเมืองถามว่าอย่างไรครับพระเจริญถามอ้าวท่านลืมคำถามเสียแล้วหรอเป็นไปได้อย่างไรท่านอาวุโสน้อยกว่าเพื่อนทำไมความจำเสื่อมเร็วจังผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับ แบบนี้จะเรียนปริญญาเอกไว้หรึอน่าเป็นห่วงนะท่านพระครูรู้สึกเป็นห่วงเพราะเห็นหนอบอกว่าพระเจริญจะต้องใช้เวลาเรียนถึง12สองปีจึงจบจะต้องถูกรีทายจากมหาวิทยาลัยที่เรียนอยู่แล้วไปเข้ามหาวิทยาลัยอื่นรวมแล้วต้องเรียนถึงสามมหาวิทยาลัย ผมก็จะเรียนไปเรื่อยๆตอนนี้อายุ37จบตอนอายุ47ก็ยังดีที่อินเดียมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งผมกะจะย้ายไปเรื่อยๆคือถ้ามหาวิทยาลัยนี้เขาให้ออกผมก็จะสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยสันสกฤตซึ่งอยู่ตรงข้ามกันที่นี่เขาจะสอบเข้าเฉพาะปริญญาตรีส่วนปริญญาโทกับปริญญาเอกไม่ต้องสอบเข้าสมัครเรียนได้ทันทีเรียกว่าเข้าง่าย แต่ออกยากแต่ผมขอทำนายว่าท่านจะจบเมื่ออายุสสิบหากไม่เชื่อที่ผมพูดท่านก็จดไว้ถ้าไม่จริงผมจะให้ปรับเอาละ่ะทีนี้ท่านก็ตอบคำถามของหลวงพ่อวัดดอนเมืองได้แล้วท่านถามว่ามีคนมาขอท่านบ้างหรื อ, อยังคราวนี้พระเจริญยิ้มเขินเขิน แล้วตอบว่าก็มีคนมาทาบทามหลายรายครับและหนึ่งในจำนวนนั้นก็คืออาจารย์ของผมเองคนอินเดียที่มีลูกสาวเขาจะกะังวลเรื่องการหาค่าสินสอดมาให้ลูกบางบ้านพ่อต้องไปนั่งหลังเทียนเพื่อของเงินมาให้ลูกสาวแต่งงานพวกผู้ชายจะเรียกค่าสินสอดแพงมากเดี๋ยวท่านก็จะได้เห็นเมื่อไปสถานีรถไฟฮาราที่นั่นจะมีพ่อทั้งหลาย นั่งอยู่ตามชานชาลาข้างหน้ามีเทียนจุดอยู่เล่มหนึ่งแล้วก็มีขันสแตนเลตวางอยู่เพื่อรับเงินจากผู้บริจาคพวกนี้ไม่ใช่ขอทานถ้าขอทานเขาจะตามมาขอท่านอย่าให้เชียวนะครับคืนให้ไปคนหนึ่งมันพากันมาเป็นร้อยเลยท่านถูกรุมแน่เพราะฉะนั้นต้องใจแข็งสงสารได้แต่อย่าให้แล้วก็อย่าไปตาหนิเขาท่านต้องวางอุเบกขาอย่างเดียว แล้วท่านตอบอาจารย์ว่าอย่างไรพระรสุคนอยากฟังเรื่องผู้หญิงขอผู้ชายต่อผมก็บอกว่าผมเป็นพระและยังไม่คิดจะศึกต้องเรียนให้จบก่อนถึงเวลานั้นค่อยว่ากันใหม่อาจารย์ก็บอกว่าถ้าพันเตจบและลาศิกขาแล้วให้มาแต่งงานกับลูกสาวผมและอย่าเรียกค่าสินสอดแพงนะเพราะเหตุนี้เองที่ทาให้ผมเรียนอย่างไม่รีบร้อนเพราะกลัวว่า เมื่อเรียนจบจะต้องศึกออกไปแต่งงานกับลูกสาวอาจารย์ที่ประเทศนี้มีอะไรแปลกๆเช่นเรื่องค่าตัวหรือค่าสินสอดผู้ชายที่อยู่ในวั น, นะสูงจะเรียกค่าตัวแพงมากในยุคพระเวทวั น, นะมีสี่คือพราหมกษัตริย์แพทย์สูตรวั น, นะพราหมกับวั น, นะกษัตริย์จัดเป็นวั น, นะสูงปัจจุบันวั น, นะของชาวอินเดียได้แยกย่อยออกไป จนมีจำนวนกว่า 3,000 วันณนะและเกิน 25,000 อนุวันณนะแม้กระนั้นก็ยังมีวันณะใหม่ๆเกิดเพิ่มอยู่เรื่อยๆบางวันณนะมีสมาชิกจำนวนล้านแต่บางวันณนะมีเพียงจำนวนร้อยคนที่วันณะสูงด้วยร่ำรวยด้วยค่าตัวแพงเป็นละล้านรูปีเลยแต่ถ้าไม่รวยค่าตัวก็จะลดลงมาปัจจุบันค่าตัวมาตรฐานของคนวร น, นะสูง แต่ไม่รวยคือเงินสดสอง0 0รูปีทัศร์ัสีขนาด20นิ้วหนึ่งเครื่องจักรยานยนต์เวสป้านหนึ่งคันคิดเป็นเงินไทยก็ตกประมาณ 6-7,000 0ื่นบาทเวลาแต่งงานฝ่ายหญิงจะต้องออกค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดตั้งแต่ค่าสินสอดค่าจัดงานเลี้ยงค่าตกแต่งสถานที่ค่าเช่าม้าสีขาวพร้อมเครื่องประดับแม้แต่ค่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวของเจ้าบ่าวก็ต้องให้ฝ่ายหญิงออก เกิดเป็นผู้ชายอินเดียจะว่าสบายก็สบายจะว่าลําบากก็ลําบากพระเจริญสรุปลําบากอย่างไรครับตั้งแต่ฟังมาผมยังไม่เห็นว่าจะลําบากตรงไหนพระทวัดแยงลําบากตอนหลังจากแต่งงานแล้วนะสิครับเพราะหลังจากนั้นต้องหาเลี้ยงพัญญาตลอดชีวิตพอมีลูกสาวก็ต้องทํางานหนักเพื่อเก็บเงินไว้เป็นค่าสินสอดให้ลูกสาว อาจารย์ของผมคนหนึ่งแต่งลูกสาวคนโตเมื่อสองเดือนที่แล้วหมดเงินไปสองแสนรูปีเรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวเลยลูกสาวคนเล็กแอบมาบ่นให้ผมฟังว่าพ่อใช้เงินทั้งหมดไปในการแต่งงานของพี่สาวตัวแกคงไม่มีโอกาสได้แต่งงานเพราะพ่อคงหาเงินไม่ทันแกคงอยากให้ท่านเห็นใจจะได้ไม่คิดคาสินสอหรือเปล่าพระคุณทศขัดขึ้น พระเจริญจึงตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้ว่าก็คงทำนองนั้นแหละครับแต่ผมคิดว่าหากจะต้องศึกไปก็จะไม่ขอเป็นลูกเคยคนอินเดียเพราะไม่อยากลำบากตอนแก่ตอนหาเงินมาให้ลูกสาวแต่งงานผมว่าเป็นผู้ชายไทยลำบากกว่านะเพราะไหนจะเสียค่าสินสอดให้เขาแล้วยังต้องมานั่งเลี้ยงเขาอีกพระธวัชออกความเห็นถ้าไม่อยากลาบากก็ไม่ต้องศึก บวชอยู่อย่างนี้แหละวันหนึ่งอาจจะได้เป็นเจ้าคุณถ้าปฏิบัติก็อาจสำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ผมคงไม่ได้ทั้งสองอย่างเพราะบารมียังไม่แก่กล้าพอคงต้องรอชาติหน้าตอนใบไๆพระธวัตพูดอย่างรู้กำลังตัวเองท่านพระครูจึงพูดให้กำลังใจว่าท่านอย่าเพิ่งท้อถอยพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า วายเมเทวปุริโสยาวะอัถัสะนิปทาเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าผลที่หมายจะสำเร็จบัดนี้เรามาอยู่ในแดนพุทธภูมิแล้วมาทศ น, นศึกษามาระลึกถึงพระกรุณาคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงสงสารสั่งสอนชาวโลก ให้พ้นทุกเราเป็นสากยาบุตรคุถะโอรสจะต้องดาเนินตามรอยพระบาทของสเสด็จพ่อขอบคุณหลวงพ่อที่ให้กำลังใจผมผมตั้งสัจจะไว้แล้วว่ากลับไปจะต้องขอเรียนกรรมฐานจากหลวงพ่อผมจะดาเนินตามรอยพระบาทของสเสด็จพ่ออย่างที่หลวงพ่อทำอยู่ผมไม่คิดจะศึกไปแต่งงานกับสาวอินเดียหรอกครับ ประโยคหลังท่านสัพพยอพระเจริญโยมเสงเข้ามาในห้องที่พระภิกษุหกรูปนั่งฉันน้ำปะณะอยู่และนิมนต์ท่านไปขึ้นรถเนื่องจากญาติโยมรับประทานอาหารกันเสร็จแล้วพระเจริญจึงเดินนำพระภิกษุห้ารูปไปยังรถบสัสซึ่งจอดห่างจากพัตตารประมาณส0เมตรจากนั้นคนขับก็ออกรถ มุ่งหน้าไปยังสถานีรถไฟเฮร า, าญาติโยมเป็นอย่างไรบ้างอาหารแขกอร่อยไหมพระมกุฎเทศทักทายคณะผู้สแสวงบุญก็พอทันได้ค่ะนี่ขนาดพัตคาณนะคะถ้าเป็นร้านข้างถนนสงสัยจะทานไม่ลงเสียงโยมผู้หญิงบ่นกลา ย, ลายไม่ต้องสงสัยหรอกโยมอัตมารับรองว่าโยมทานไม่ได้แน่นอน ขนาดอาตมาเป็นพระยังฉันไม่ลงตอนที่ยังไม่ได้มาเคยได้ยินพระที่เมืองไทยพูดอย่างนี้อาตมายังนึกตำหนิว่าท่านเป็นพระน่าจะโปรงปร่งบ้างแต่พอมาอยู่ที่นี่ถึงได้รู้ว่าจะโปรงขนาดไหนก็ยังฉันไม่ลงอยู่ดีมันยิ่งกว่ากินดินอีกนะสำนวนที่ว่าดีกว่ากินดินหน่อยนึงใช้กับที่นี่ไม่ได้เลยแล้วดินเมืองแขกก็กินไม่ได้ เพราะแขกเขาถ่ายหนักถ่ายเบากันทั่วไปหมดถ้ากินดินก็คือกินขี้แขกอัตมาต้องขออภัยที่ไม่ได้ใช้คำว่าอุจจาระเพราะคนไทยเขาไม่พูดอุจจาระแขกแต่พูดว่าขี้แขกกันทั้งนั้นลุงพ่อองค์หนึ่งท่านมาจากวัดทางภาคอีสานท่านตั้งไว้เป็นสูตรเลยว่าใครมาอินเดียถ้าไม่เห็นแขกนั่งขี้กับไม่ได้เหยียบขี้แขกแปลว่ายังไม่ถึงอินเดีย ถ้าอย่างนั้นผมก็มาได้ครึ่งทางแล้วสิครับเพราะเมื่อตอนหัวค่าผมเห็นคนนั่งถ่ายอยู่ข้างถนนหลายคนถ้าได้เหยียบก็แสดงว่าถึงเต็มร้อยโยมผู้ชายคนหนึ่งพูดขึ้นอย่าเหยียบเลยค่ะแค่นี้ก็กลิ่นไม่สะอาดแล้วขืนเหยียบขี้แขกคงจะเหม็นกันทั้งรถเสียงโยมผู้หญิงโอดครวญท่านพระครูจึงพูดขึ้นว่าโยมก็กําหนดกลิ่นหนอสิ อาตมาว่าดีนะโยมจะได้ทําบทฝึกหัดที่ประเทศอินเดียนี้โยมที่เคยปฏิบัติกรรมฐานมาจะได้ทําบทฝึกหัดมากมายอาตมาจะช่วยสอบอารมณ์ให้ที่นี้โกดจะรู้ล้วว่าสอบได้หรือสอบตกโยมหงส์ใสคิดว่าจะสอบผ่านหรือเปล่า ท่านหันไปถามคนเป็นหัวหน้าคณะผู้สแสวงบุญยังไม่ทราบหรกค่าหลวงพ่อก็ยังไม่ได้สอบน้คะและจะรู้ได้อย่างไรว่าผ่านหรือไม่ผ่านจริงของโยมงั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปโยมปฏิบัติมากี่ปีแล้วละ่ะใครเป็นครูบาอาจารย์ท่านถามเพราะโยมหองใสไม่เคยมาเข้ากรรมาฐานที่วัดป่ามะม่วง เคยมาทอดกระถินสองครั้งเท่านั้นโยมปฏิบัติมาสิปีแล้วค่ะเป็นลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณโชโดกท่านอยู่คณะห้าวัดมหาธาตุค่ะก็อาจารย์เดียวกับอัตตมาน่ะสิอัตตมาเคยไปเรียนกรรมฐานที่คณะห้าสองครั้งปี2494ครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง ปี2498แล้วก็เริ่มสอนกรรมฐานมาตั้งแต่ปี2495สมัยที่ยังอยู่วัดพรมบุรีอตมาไม่ได้ไปกราบท่านเจ้าคุณอาจารย์นานแล้วท่านสบายดียหรือสิทธามถึงอาจารย์สบายดีค่ะแต่หมูน่นี้สุขภาพท่านไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมอบอกว่า ท่านเป็นโรคหัวใจค่ะอย่างนั้นหรือกลับไปอาตมาจะต้องหาโอกาสไปกราบเยี่ยมท่านแล้วพวกบ้านโยมปฏิบัติ ด, ด้วยหรือเปล่าท่านหมายถึงโยมเสงีเ่เฮียเขาไม่มีเวลาปฏิบัติรคอคารหลวงพ่อเขาต้องดูแลกิจการค้าแต่เขาก็ไหว้พระสวดมนต์ทุกวันแล้วก็ชอบทำบุญมาครั้งนี้ เขาก็หอบเงินมาทำบุญตั้งร่วมแสนโยมโชคดีที่ได้แต่งงานกับเขาเฮียเขาไม่กินเหล้าไม่เจ้าชู้แล้วก็ตามใจโยมทุกอย่างโยมจะไปทำบุญที่ไหนกับใครเขาก็ไม่เคยขัดถามคําเดียวว่าจะใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็ให้ตามนั้นบางครั้งให้มากกว่าที่บอกเสอีกโยมผ่องใสพูดชมสามีให้ท่านพระครูฟัง ยมเสียงไม่สนใจว่าพัญญาจะพูดติหรือพูดชมเพราะภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเมืองกัลกัตตาน่าสนใจมากกว่าเสียงพระมคุเทศบรรยายว่ากัลกัตตาเป็นเมืองท่าสำคัญในยุคที่อังกฤษครอบครองอินเดียและเคยเป็นเมืองหลวงในยุคนั้นคือในราวพุทธศักราช2233ถ้าเทียบเคียงกับประเทศไทย ก็ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเพทราชาพระมหากษัตริย์ลำดับที่29แห่งอยุธยาเพราะเคยถูกอังกฤษครอบครองและเคยเป็นเมืองหลวงนี่เองที่ทำให้เมืองกัลกตัตตาเต็มไปด้วยอาคารขนาดใหญ่สไตล์ยุโรปไม่แพ้เมืองใหญ่ของประเทศตะวันตกในสมัยนั้นเมืองนี้มีประชากรหนาแน่นประเทศอินเดียมีขนาดใหญ่กว่าประเทศไทย8เท่า แต่มีประชากรมากกว่าหลายสิบเท่าเฉพาะเมืองกันกัตตามีประชากรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนสมโนโครวถึงสิบล้านและที่ไม่มีชื่อในทะเบียนอีกกว่าสิบล้านซึ่งคนพวกหลังนี้จะอาศัยอยู่ตามทางเท้ากินอยู่หลับนอนกันข้างถนนอาศัยชายคาตึกบังแดดบังฝนอย่างที่บ้านเราเรียกว่านอนกลางดินกินกลางทรายอาชีพก็คือขอทานและคนพวกนี้ จะแพร่พืชพันธุ์เร็วมากเพราะไม่ยอมคุมกำเนิดด้วยเชื่อว่าเด็กที่มาเกิดเป็นของขวัญจากพระเจ้าเมื่อมีคนอยู่หนานแน่นเช่นนี้อาคารใหญ่ที่เคยสวยงามก็เลยดูสกปรกรกกรุงรังไปหมดอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี้รถบัสเล่นมาจอดด้านหลังสถานีห่างจากชานชลาประมาณห0เมตรพระเจริญบอกให้คนขับรถ ไปตามพวกกุลีส่วนเด็กหนุ่มสามคนช่วยกันลำเลียงของในรถลงมากองรวมกันไว้ข้างล่างผู้นำทัวบอกให้คณะผู้สแสวงบุญมาตรวจตราดูสัมภาระของตนว่าครบหรือไม่สิบนาทีให้หลังพวกกุลีประมาณ20สิบคนก็มาถึงแต่เด็กหนุ่มสามคนยังขนสัมภาระลงจากรถไม่เสร็จจึงต้องหากันยืนรอ ผู้นำทัวร์ต่อรองราคากับพวกกุลีซึ่งถือโอกาสโกงราคาต่อรองกันอยู่นานก็ยังตกลงกันไม่ได้เมื่อเด็กหนุ่มสามคนขนของลงจากรถเสร็จผู้นำทัวร์จึงให้ค่าทิปคนละส0สิบรูปีให้คนขับห้าสิบรูปีส่วนค่าเช่ารถพระเจริญได้จ่ายให้เจ้าของเรียบร้อยแล้วตอนไปรับรถรถออกไปแล้ว การเจราจาต่อรองกับผู้กุลีก็ยังไม่สำเร็จผู้นำทัวจึงต้องใช้อุบายให้พระเจริญบอกพวกเขาว่าหากไม่ตกลงก็จะไปตามกุลีพวกอื่นมานั่นแหละจึงตกลงกันได้จากนั้นก็จัดการยกสัมภาระขึ้นไว้บนศีรษะคนหนึ่งหนึ่งแบกน้ำหนักกว่าร้อยกิโลกรัมจนน่ากลัวว่าคอจะหักผู้นำทัวบอกให้คณะผู้สแสวงบุญ เดินตามพวกกุลีไปและพยายามเดินให้ทันมิฉะนั้นพวกเขาอาจจะแบกสัมภาระหลบหนีไปก็ได้พวกกุลีมีเป็นร้อยๆอยคนและหน้าตาก็คล้า ย, ายกันจึงไม่รู้ว่าใครเป็นใครนอกจากหน้าตาคล้ายกันแล้วยังแต่งตัวเหมือนกันคือนุ่งผ้าป่านสีขาวลักษณะคล้ายผ้าจงกระเบนใส่เสื้อแขนยาวสีแดงซึ่งเป็นชุดเครื่องแบบของกุลี ท่านพระครูรู้สึกสงสารกุลีคนหนึ่งเป็นพิเศษที่สงสารเพราะคอเขาเอียงไปทางด้านขวามากจนไม่อาจใช้ศีรษะแบกสัมภระเฉกเช่นคนอื่นๆได้ต้องใช้บ่าแบกแทนสมภารวัดป่ามะม่วงอยากรู้ต้นสายปลายเหตุว่าทำไมเขาจึงมีสภาพน่าสงสารเช่นนี้จึงใช้เห็นหนอช่วยตรวจสอบเห็นหนอรายงานว่าเมื่อยี่สิบปีที่แล้ว เมื่อชายผู้นี้เป็นกุลีใหม่ๆเขามักแบกสัมภาระของผู้ว่าจ้างเดินหายไปในฝูงชนทำให้เจ้าของต้องเศร้าโศกเพราะการสูญเสียสิ่งของเครื่องใช้หรือไม่ก็เป็นอาหารวันดีคืนดีกรรมของเขาก็มาปรากฏคอที่เคยตั้งตรงเหมือนคอของคนปกติก็กลับเอียงกระเทเร่อย่างที่เห็นอยู่นี้ เมื่อรู้ต้นสายปลายเหตุเช่นนี้แล้วท่านพระครูจึงต้องวางอุเบกขาคิดเสียว่ากรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมผู้กุลีแบกสัมภาระเดินเรียงแถวเข้ามาในชานชาลาซึ่งคลาคล่ำไปด้วยผู้คนนับหมืน่นท่านพระครูไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเลยว่าสถานีรถไฟ ทำไมจึงมีคนมากมายถึงป่านนี้เสียงเอะอะอื้ออึองระคนกับเสียงเรียกกันดังโวกวีกเจียวจ้าวเหมือนชาวประมงแย่งปลากันฉะนั้นบรรดาพ่อที่นั่งหลังเทียนก็ต้องคอยหลบด้วยเกรงจะถูกเหยียบบางครั้งเทียนก็ถูกคนที่เดินเหยียบจนหักล้มลงหลุงพ่อดูคนพวกนี้สิช่างน่าสงสารเสรีย จ, จริง ไม่รู้ว่าเขาจะได้เงินบ้างัหมผมไม่เห็นมีใครให้เขาเลยท่านพระครูแอบกระซิบลุงพ่อวัดดอนเมืองผมก็สงสารเขาเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จะช่วยเขาได้อย่างไรเงินรูปีผมก็ไม่ได้แลกมาไม่งั้นก็จะให้เขาสักคนละห้ารูปีสิบรูปีให้ไม่ได้นะครับลุงพ่อ เดี๋ยวพวกขอทานเห็นเข้าก็จะมารุมหลวงพ่อต้องเชื่อที่มักคุเทศเขาบอกหลวงพ่อแผ่เมตตาให้เขาดีกว่าผมก็จะใช้วิธีนี้เหมือนกันเสียงพระเจริญบอกญาติโยมว่าจับกลุ่มกันไว้นโยมอย่าให้หลงถ้าใครหลงให้ตะโกนดังๆว่าช่วยด้วยช่วยด้วยอาตมาจะได้เดินไปตามเสียงแต่อย่าให้หลงดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันรถไฟ ที่ชานชลาสถานีมีรถไฟจอดอยู่หลายขบวนเมื่อขบวนใดออกผู้คนที่มาช้าก็จะพากันวิ่งตามทันบ้างไม่ทันบ้างที่ไม่ทันก็รอขบวนต่อไปส่วนที่วิ่งทันก็จะปีนขึ้นไปนั่งเบียดกันอยู่บนหลังคาเพราะหาที่นั่งในรถไม่ได้รถไฟทุกขบวนมีผู้โดยสารนั่งอัดกันแน่นเหมือนปลากระป๋องคนเมืองนี้ ช่างมีชีวิตที่ทรหดเสียเหลือเกิน